ความสันิสุขความเมตตาและความจำเริญจากอัลลอ์จงประสบอย่งทุกท่านนะครับทำดีละวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในการไขขวดอันกุรอานเราอยู่ในสุร์ยูซุฟอะัยฮิสลาม์นะครับทักทายพี่น้องที่ได้ติดตามทางเพจของบ้านมุสลิมนะครับ แล้วก็พี่น้องทุกท่านที่มารับฟังในวันนี้นะครับหัวข้อทีออ่น่าสนใจที่เราจะพูดคุยกันนะครับคือในเบญุสุฟอะลัยสลามช่วงที่ท่านเนี่ยได้เข้าไปในเรือนจําครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้รับทราบกันแล้วนะครับว่าที่เนบิวสุฟได้ถูกล่อลวงหรือถูกเชิญชวนทํำซินาหรือผิดประเวณีเนี่ยท่านได้รับการปกป้องคุ้มครองให้พ้นจากสิ่งดังกล่าวในอย่างไรนะครับ ที่มาจากอัลลอฮฺซุบะฮานะฮูอตารานะฮะดังนั้นเนี่ยหลังจากนั้นผู้คนก็ได้โจดจันกันว่าซุลัยคอเนี่ยเป็นผู้ที่เชิญชวนนบียูซุฟคือไปชอบกับคนที่เป็น อ, อ, อะไรนะฮะคนรับใช้ของตนเองนะครับแล้วทำให้ซุลัยคอก็เลยจัดฉากเชิญทำหนังสือเทียบเชิญเนี่ยให้กับบรรดาสตรีทั้งหลายเนี่ยได้เข้ามาที่ บ้านของเธอเพื่อที่จะให้เห็นถึงความสวยงามหรือความหล่อของนายบิลซุฟฟาร์อิสลามและพวกเธอก็ได้ตกตะลึงนะครับจนกระทั่งมีดเนี่ยเฉือนนิ้วของตัวเองอันนี้บทเรียนต่างๆที่ได้รับมากมายนะครับนั่นคือการกล่าวหาบุคคลอื่นโดยที่ไม่รู้สถานการณ์ที่แท้จริงเนี่ยเป็นอย่างไรอันนี้ก็เป็นบทเรียนของผู้ศรัทธานเนี่ยว่าเราไม่ควรที่จะบางทีเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมเนี่ยเราเรียกว่าสังคมในยุคดราม่า เวลาเห็นใครทำอะไรความผิดเล็กน้อยหรือจะใหญ่โตก็ตามนะครับเราก็มักจะร่วมกันแสดงความคิดเห็นเหมือนกับเรากำลังจะบอกว่าถ้าเป็นชั้นเนี่ยชั้นไม่มีทางทำแบบนี้หรอกนะครับแต่เมื่อได้รับบททดสอบจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนก็อาจจะไม่ผ่านในการประสบกับบททดสอบดังกล่าวนะครับดังนั้นหน้าที่ของผู้ศรัทธาเนี่ยจเป็นจะต้องนอบน้อมต่อหรอเป็นจะต้องไม่ดูถูก เย่อเย้ผู้อื่นเมื่อเขาอาจจะผิดพลาดไปทําความผิดใดๆก็ตามนะครับแต่นั้นที่ของเราก็คือขอบคุณต่อเราที่ให้เราได้รอดพ้นจากความผิดดังกล่าวนะครับแต่การนั้นก็ตามเนี่ยอีกบทเรียนหนึ่งก็คือความหึงหวงของสามีซึ่งดูเหมือนว่าจะมีเล็กน้อยมีไม่มากเท่าไหร่นักเนี่ยทำให้เกิดเหตุซ้ํำซากอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ได้บทเรียนไปในครั้งที่แล้วนะครับว่า พ่อแม่ผู้ปกครองสามีพี่ชายน้องชายที่มีผู้หญิงที่อยู่ภายใต้การดูแลหรือเป็นมาร o มของเขาเองเนี่ยจำเป็นที่จะต้องดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษในการแสดงความเป็นห่วงเป็นใยอันนี้ก็เป็นบทเรียนสำคัญนะครับไม่ให้ใครคนอื่นเนี่ยเข้ามาล่วงเกินหรือเข้ามา อ, อ, อะไรนะครับยามเกียรติของสตรีที่อยู่ภายใต้การดูแลของเรานั่นเองนะครับ ไม่งั้นไม่ใช่นั้นแล้วเนี่ยความผิดต่างๆมันก็จะเกิดขึ้นหรือว่ากระจายขึ้นไปในสังคมอย่างเช่นกรณีที่เกิดขึ้นกับซูไลคอนนั่นเองนะครับที่เธอเนี่ยได้ไม่หยุดในความผิดดังกล่าวเนื่องจากเหตุผลหนึ่งคนในครอบครัวหรือสามีของเธอเนี่ยไม่ได้เกิดความหึงหวงกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากนั้นอัลลอฮฺซุบฮานาฮฺวะตะลาเนี่ยก็ได้นําเสนอเรื่องราวที่ตัวท่านอับดุลเลาะห์อิสลามอ เ, อเองเนี่ย ขอดูอาตอ Allah ว่าขอให้ฉันเนี่ยได้อยู่ในเรือนจําจะดีกว่าเพราะเธอเนี่ยไม่อยู่และยัง ค, มค่มขู่นบิลซุฟถ้าไม่ทําตามที่ฉันปรารถนาแล้วเนี่ยจะจับขังคุกนบิก็เลยบอกกับอัลลอฮ์นะครับว่าก็ลบบสส้วเราบิษณุหับบุลยละยามิมไม่เดียวนานีอีไรอัลลอฮ์แท้จริงเรือนจำเนี่ยเป็นที่รักเป็นที่ชอบสําหรับฉันมากกว่าสิ่งที่พวกเธอในกําลังให้ฉันไปทําสิ่งนั้นก็คือการผิดประเวณีหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับ แล้วก็บอกอลัลลอฮ์ว่าหากพระ อ, องค์ไม่ช่วยเหลือฉันแล้วเนี่ยฉันอาจจะผิดพลาดไปว่ากุ้มมีนันเจฮิลินและฉันจะได้กลายเป็นผู้ที่เขานั่นเองนะครับแสดงว่าทุกความผิดเนี่ยอยู่บนพื้นฐานของความเข่าการฝาา่าฝืนอัลลอฮ์ที่อุลมามะเขาบอกว่ากุลลูอาซินยาฮิลนะครับก็คือทุกคนที่ทําความผิดอาซินยาฮิลก็คือคนที่เข่าเข่ายังไงครับเข่ายังไงก็คือเป็นบุคคลที่ ไม่รู้ว่าการทําความผิดเนี่ยส่งผลเสียกับตนเองแต่นบิวซุฟอะลัยสลาムเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้รู้ว่าวอิลลัตสริฟวอิลลัตสริฟอันนี้ไคดะฮุนนะอัซบุอิไลฮินนะว่ากุมมินันจาฮิลินหากอัลลอฮ์ไม่ขจัดให้ฉันออกห่างไกลจากความผิดแล้วเนี่ยฉันจะต้องพลาดไปและจะกลายเป็นผู้ที่อธรรมเห็นไหมฮะแสดงว่านบิวซุฟเนี่ยเออจะกลายเป็นผู้ที่เข่าตทีนะครแสดงว่านบิวซุฟเนี่ยมีความรู้ มีความรู้ว่าความผิดนํามาซึ่งความเข่าวกุลัวอาสินญาหินทุกคนที่ฝ่าฝืนเนี่ยก็คือคนที่ข่าวข่าวนเรื่องนั้นๆเพราะเนื่นองจากว่าการทําความดีต่ออัลลอฮ์เนี่ยมันจะยังไม่ยังประโยชน์กับใครนอกจากตัวผู้ปฏิบัติเองอันนี้นี่จุดสาคัญมากการทําความดีต่ออัลลอฮ์คนที่ได้รับประโยชน์คือมนุษย์เองการละหมาดการถือศีลอดทําความดีต่างๆอัลลอฮ์มิได้รับประโยชน์แต่อย่างใด แต่มนุษย์เองต่างหากคือผู้ที่ได้รับประโยชน์เรื่องนี้สําคัญมากและคนจะเข้าใจผิดว่าทําไมเราต้องบัญญัติอิบาร์ไดา้ด้วยมาอูรีดูมินหุมมิริสกินว่ามาอูรีดูอายุไตมุลเราบอกว่าข้าไม่ต้องการนิสกีจากพวกเขาและไม่ต้องการให้พวกเขาเนี่ยให้อาหารแก่ข้าแสดงว่าใครที่ปฏิบัติความดีเนี่ยเพื่อตัวเขาเองว่ามายะสุรุฟอินนามายะสุรลินัฟซีว่มันกัฟรอฟินัลลอฮะกอนียุนฮามิดใครขอบคุณขอบคุณเพื่อตัวเองส่วนใครที่ ปฏิเสธเนรคุณเนี่ยอัลลอฮ์เนี่ยพอเพียงอัลลอ์เนี่ยไม่ต้องการนมนุษย์หรือการอิบารนะของมนุษย์นั่นเองนะครับดังนั้ น, น, นการฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอ์เนี่ยมันจึงเกิดโทษกับเราเองอัลลอ์ไม่ต้องการให้เราฝ่าฝืนเนื่องจากว่าอันตรายมันจะเกิดขึ้นกับตัวเราเองนั่นเองนะครับทัดมาและตอบรับดัวของนบียูซุฟอะลัยฮสลา์อัลลอฮ์ตอบรับฟัสต์เจาบลูรอบบุ แล้วเราก็ตอบพระนบีอูซุฟฟาซรอฟะอันหูไกเดหุนทาให้นบีอูซุฟเนี่ยได้ได้ออกห่างจากแผนการของพวกเธอฟาซรฟะอันหูไกเดหุ น, นออหแนสดงว่าที่นบีอูซุฟรอดจากความผิดเ่ยเพราะเาลาปกป้องแล้วเราก็บอกอินนะฮูหัวซามีอุลลาลีมแท้จริงพระองค์เนี่ยเป็นผู้ได้ยินเป็นผู้รอบรู้อันตัวนี้สําคัญเวลาเราเราจะดูอาต่อร้อน เ, เนี่ยสิ่งที่ต้องตระหนักคืออะไรครับ นามขอ Allah ชื่อขอ Allah ถูกไหมฮะดาเนี่ยดูานะหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าดูอาแปลว่าขออย่างเดียวไม่ใช่ดูานี่ผ ม, มบอกอะไรครั้งแล้วดูานี่แปลว่าการเรียก Allah ถูกไหมฮะดูอาแปลว่าการเรียก a l a h ครั้งนะดูอาแปลว่าการเรียกเพราะมาจากคำว่าด a a wa, ายดอดอาเรียกทาไมเรียก Allah ไงครับก็คือเรียกเวลาเราเรียกใครเนี่ยเรียกด้วยกับอะไร ชื่อดังนั้นเนี่ยเสมอเลยดูอาเนี่ยจะคู่กับชื่ออย่างนี้นะฮะดูอาแปลว่าการเรียกนะไม่ใช่แปลว่าการขอขอนี่เป็นส่วนหนึ่งขอนี่มาหลังจากเรียกอย่าอัลลอฮ์โออัลลอฮ์นี่เรียกใช่ไหมฮะหลังจากนั้นก็ต้องการอะไรดังนั้นเนี่ยสิ่งที่จะคู่กับดูอาเสมอก็คือนามขอัลลอฮ์เราต้องรู้จักอัลลอฮ์ถ้าจะเรียกอัลลอฮ์เนี่ยต้องรู้จัก Allah. อัลลอฮ์อัลลอฮ์คือนามอันยิ่งใหญ่แล้วก็นามอื่นๆอีก เราต้องการอะไรเนี่ยบอกกับอัลลอฮ์ใช้ชื่อนั้นๆของพระองค์ในการที่จะเรียกได้ห อ, อกปล่าไหมฮะถ้าเราเต้องการการอภัยโทษเราก็บอกว่ายากฟารฟ้ายากอฟูร์โอผู้อภัยโทษให้แก่ปวงบาวเป็นต้นนะครับ เ, เราต้องการอะไรครับต้องการให้อัลลอฮ์แก้ปัญหายากอดีร ยากอดิโด oh, ผู้ที่มีความสามารถเหนือทุกสิ่งทุกอย่างอย่าอาราภูริเชนกอดิอัลลอฮ์เนียมีความสามารถเหนือทุกสิ่งทุกอย่างนะครับดังนั้นคู่กันเลยชื่อของอัลลอฮ์สุบฮานอหัวตาเนี่ยเวลาเราจะดูอาเนี่ยดูอาต้องรู้จักอัลลอ์ดูอาอนอัลลอฮ์จึงบอกอุดร um ูนีอัสตะจิบละกุมจงเรียกข้าและข้าจะตอบรับอีกอายะนึงวลิลลาฮิลอัสมาอุลฮุสนาอัลลอฮ์เนียมีชื่อที่สวยงาม อัลลอ์มีชื่อที่สวยงามตอนนี้ผมก็กำลังทำดูามุสยับนะฮะอัลลอ์อยากจะให้ออกก่อนรอมฎอนนี้อัลลอฮ์อัลล์บอกว่าวุฒิวะลิลลาฮินอัลสมาอุลฮุสนาอัลล์นมีชื่อที่สวยงามชื่อที่ไพเราะฟดอูบีฮพวกท่านจงดูอาถ้าดูอาแปลว่าขอเราจะไม่ค่อยเข้าใจจงขอด้วยกับชื่อนั้นยังไงเราไม่เข้าใจ แต่ถ้าบอกจงเรียกด้วยกับชื่อนั้นจะเข้าใจมากกว่า น, นะฮะอัะอลลอฮ์มีชื่อที่สวยงามพวกท่านจงเรียกอัลลอฮ์ด้วยกับชื่อเหล่านั้นพอเรียกแล้วเนี่ยชื่อเหล่านั้นเราต้องการอะไรเนี่ยก็ขอต่ออัลลอฮ์เนี่ยในชื่อเหล่านั้นนั่นเองนะครับดังนั้นนมียัมุสุฟอะลัยซซัลลัมเนี่ยเมื่อเราบอกว่าพระ อ, องค์เนี่ยตอบรับดุอาแล้วบอกว่าอินนาหูฮุวาสซามีอุลลาลิมแท้จริงอัลลอฮ์เป็นใครเป็นผู้ได้ยินเป็นผู้รอบรู้เวลาตอบรับดุอาเนี่ย ดังนั้นส่งเสริมที่เราจะให้ตระหนักขณะที่เราดุอาต่ออัลลอฮ์เนี่ยตะนว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ได้ยินเป็นผู้รอบรู้หรืออุอาอื่นๆ น, น, น, น, นั่นเองนะครับฟาสต์จาเบลหูรับหูฟาซารฟะห์งูไกิดหุนอินหูฮุสซามิ อ, มมอุนอาลิมซุ่มอะในอายะที่35นะครับที่เราจะศึกษากันในวันนี้เนี่ยโดยประมาณ 1,2,3,4 4, 4อาี่สอายะนะครับพี่ชอว์ละ Allah บอกว่าอัลลอฮ์ ثم بدالهم من بعد ما ر و ا ا ل ي ا ت لا ي س ج و ن ه حتى حين หลังจากนั้นเมื่อเป็นที่ประจักษ์แก่พวกเขาแล้วหลังจากที่ได้พบเห็นหลักฐานต่างๆนะครับพวกเขาก็ลงความเห็นว่าต้องขังกักตัวนบียูซุฟไว้สักระยะหนึ่งฮัตตาฮีนทำไมฮะทั้งที่เห็นหลักฐานแล้วว่า นบิยูซุปเป็นคนที่บริสุทธิ์หลักฐานอะไรบ้างหนึ่งก็คือเสื้อขาดทางที่ไหนครับด้านหลังไม่ได้ขาดด้านหน้าหนึ่งสองก็คือคนที่เอ่อเด็กที่สามารถพูดได้เนี่ยก็มาเป็นพยานว่าในบิยูซุปเนี่ยเป็นฝ่ายถูกนะครับแล้วก็บริบทต่างๆแวดล้อมเนี่ยก็บ่งบอกเช่นนั้นนะครับว่าในบิลยูซุปอลัยสลาムเนี่ยเป็นเอ่อผู้ที่ถูกกล่าวหาและเป็นฝ่ายที่ถูกต้องแต่เนื่องจากว่า อาซีสเนี่ยไม่สามารถที่จะจัดการดูแลจัดการดูแลภรรยาของตัวเองได้อย่างดีเด้หรือไม่ฮะไม่สามารถจัดการดูแลได้เนี่ยก็เลยต้องอาศัยในการจัดการยูซุฟอะลิสลามเพื่อไม่ให้ชื่อเสียงของเขาเองเนี่ยได้เสียหายก็เลยบอกว่าซุมมบัมบัดาลยหุมจึงเป็นที่ประจักษ์แก่พวกเขาเนี่ยหลังจากนั้นว่ามิมบะดีมารออุลยัยยะเลยะสุญุนหนหูฮัตดฮี จะต้องจับยูซุปเนี่ยขังคุกสักะยะหนึ่งจะต้องจับซึ่งผมนําเรียนกับพี่น้องไปแล้วว่าความผิดที่มนุษย์ทำเนี่ยถือเป็นความผิดแต่การที่อัลลอฮฺอนุญาตให้ความผิดเกิดขึ้นถือเป็นเฮกมากหรือเป็นความดีอีกครั้งนะครับความผิดที่มนุษย์ทำเนี่ยถือเป็นความผิด แต่ความผิดที่อัลลอฮ์อนุญาตให้เกิดขึ้นถือเป็นความดีหรือเป็นฮิกมะที่มาจากอัลลอฮ์ดังนั้นเนี่ยเราก็จะไม่สงสัยว่ า, าทําไมอัลลอฮ์ถ้าถ้าคนไม่ใช้ตากกาะกะว่าถ้าอัลลอฮ์มีจริงทําไมถึงไม่ไม่จัดการคนที่อธรรมหรืออะไรต่างๆมากมายนะครับทําไมยังคงมีความชั่วอยู่การที่มียังมีคนผิดยังมีคนทําความชั่วอะไรต่างๆเนี่ยเป็นฮิกมะของอัลลอฮ์มันไม่แตไ ม, ไม่ใช่ว่าหน้าที่ของเราในการที่ทําความผิดนะฮะ แต่เราเชื่อว่าการที่มีสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยนี่เป็นธรรมชาติที่รอดในกำหนดไว้ให้มันมีสิ่งที่ดีอยู่ในนั้นอย่างเช่นมีสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเพื่ออะไรจะเป็นบทเรียนไงว่าเราเนี่ยรอดพ้นจากความผิดดังกล่าวอันนี้ก็หนึ่งนะสก็คือมันทําให้คนดีต้องทําหน้าที่จะทําให้มีการแข่งขันกันในการทําความดีและก็ห้ามปลามความชั่วนเนี่ยเป็นต้นนะครับดังนั้นพวกเขาก็เลยจับเลสยูนุนนะฮุฮัจจารีนบิลซุบเนี่ยขังคุกการจับขังคุก การจันนบิลซุฟขังคูเนี่ยเป็นความผิดเพราะอะไรครับเป็นการอาธรรมนบิลซุฟแต่แม้ว่าแม้ว่านบิลซุฟจะดูอาก็ตามต้องการจะบิวเนี่ยเดอนจำนะครับเพราะไม่ต้องการทําความผิดที่มันเป็นความผิดจริงจริงแม้ว่าพวกเขาจะอาธรรมนบิลซุฟก็ตามแต่ขั้นอันเดียวกันการที่อนุญาตให้เกิดขึ้นเนี่ยเนื่องจากอะไรครับเป็นเหตุมาเพราะอะไรฮะการเข้าไปในเรือนจำเนี่ยจะเป็นสาเหตุที่ทําให้ในบิลซุฟเนี่ยออกมาในสภาพที่ยิ่งใหญ่ถ้าเราจําได้ช่วงที่ในบิลซุฟฝันตอนเด็ก บอกกับคุณพ่อว่าอะไรครับเห็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาว11 ด, ด, ดวงสู่อย่ต่อท่านอันนี้คือความฝันและจะมาถูกทําลายเนี่ยกว่าจะถูกทํานายความฝันนี้นะครต้องมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่อัลลอฮ์เนี่ยให้เกิดขึ้นเพื่อจะบรรลุสู่ความฝันซึ่งเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยย่อมเป็นเหตุการณ์ที่ดีเช่นที่พี่ๆจับตัวนบีอูซุฟเนี่ยปล่อยไว้ในบอ่อการกระทําของพี่ๆเป็นความผิดแต่การที่อัลลอฮ์อนุญาตเนี่ยเป็นความดี เป็นแฮกมาพราะนบีซุปจะได้ออกจากบ้านไม่งั้นเนี่ยจะไม่บรรลุสู่อะไรฮะความฝันที่ได้ฝันเอาไว้ตอนเด็กการที่คนจับตัวนบีซุปไปขายเป็นทาสการทาแบบนี้เป็นความผิดเรื่องหรือไม่ฮะแต่การที่เราอนุ ญ, ญาตให้เกิดขึ้นเนี่ยเป็นความดีเอาหลักการตรงนี้เนี่ยเอาไปใช้ตลอดชีวิตมันมันมันมันสามารถจะช่วยเราได้ว่าสมมติว่ามันอาจจะเกิดสิ่งที่ไม่ดีกับเราเราก็จะไม่ตีโพยตีภายจะไม่ตีโพยตีภายบอกว่าเออ ฉันไม่น่าทําแบบนี้เลยฉันไม่น่าทําแบบนั้นเลยหรือเกิดถ้าทำถ้าท่านทําแบบนี้จะเกิดแบบนั้นทําแบบนั้นจะเกิดแบบนี้ในนบีจึงบอกว่าฟาอินอัลอบากาชัยอุนฟาลาตะกุลเราอันนี้ฟาอันตุกาในกาแวร์ว่ากาแวรหากมีสิ่งใดประสบกับท่านเนี่ยอย่าได้กล่าวว่าหากฉันทําแบบนี้จะเกิดแบบนั้นอันนี้มันเป็นคําที่ตําหนิอดีตไงฮะเพราะาทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยถ้า อ, าอัลลอฮฺอนุญาตให้มันเกิดขึ้นแล้วย่อมมีสิ่งที่ดีแม้ดูภาพภายนอกมันจะเป็นสิ่งทีีี่่ไมมดกก็็ตาอัันน้ะ เราถือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยดีเสมอแต่ขณะเดียวกันมันจะไม่เป็นข้ออ้างสําหรับเราในการทําความผิดทําความชั่วหรือฝ่าฝืนคําสั่งของลอไม่ใช่เราบอกว่าอ๋อทุกอย่างอัลลอฮ์ให้เกิดขึ้นแม้เป็นความผิดเป็นสิ่งที่ดีใช่นะที่อัลลอฮ์เป็นสิ่งที่ดีแต่ที่มนุษย์ทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะอะไรครับเพราะมนุษย์ไม่รู้ไม่มีเฮกมะไม่รู้เฮกมะว่าที่มันจะเกิดขึ้นเป็นความดีเนี่ยคืออะไรแต่อัลลอฮ์รู้ เชืเลือให้เกิดขึ้นเนี่ยจึงเป็นแฮกมาส่วนที่มนุษย์ทําความผิดเนี่ยมันถือไม่ถือเป็นแฮกมามันถือเป็นอะไรครับก็ถือเป็นความผิดที่มนุษย์เนี่ยจะต้องอปรับปรุงแก้ไขนะครับอ่าดังนั้นการที่นบีซุบจับถูกจับไปอยู่ในเรือนจํามุมหนึ่งก็คือความผิดของคนกระทําอีกมุมหนึ่งก็คือความดีที่อัลลอฮฺสุบฮานุฮวาตัลละให้เกิดขึ้นวะดะคอยละมาอุสซินาฟตยานอัลลอฮฺก็ได้เล่าต่อว่าและได้เข้าไปพร้อมกับนบีซุบใครครับฟัตยาน เด็กหนุ่มสองคนอุลมะเขาบอกว่าเป็นเด็กหนุ่มสองคนที่มีคดีความลอบสังหารกษัตริย์วางแผนกันสองคนนี้เนี่ยต้องมีใครคนใดคนหนึ่งที่กําลังที่จะลอบสังหารกษัตริย์วางวางยาพิษแล้วปรากฏว่ามันมีสองคนก็คือคนทำหน้าที่ในการคั้นเล่าให้กับกษัตริย์อีกคนหนึ่งก็คือเป็นพ่อครัวทําอาหารพ่อครัวเนี่ยใส่ยาพิษไปจริง แล้วปรากฏว่าเขาเอาไปให้กับใครทานก่อนฮะไปให้กับสัตว์ฐานแล้วมันตายก็เลยเออสองคนนี้หนึ่งในสองคนนี้เนี่ยจับขังคุนนก ก, ก่อนแล้วก็กําลังจะสอบสวนว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงนะครับก็ได้เข้าไปพร้มก่อ น, นบีซุบเนี่ยเด็กหนุ่มสองคนแล้วก็คลุกคลีกับนบีซุบอะลอิสลามปรากฏว่าพบว่าบุคลิกของนบีซุบเนี่ยเป็นคนที่ดีชอบช่วยเหลือคนเป็นบุคคลที่ตักวาต่อรอ มีมารยาทที่งดงามเนี่ยคนสองคนนี้ก็เลยประทับใจในตัวนบียูซุฟอะลัยอิสลามก็ละเวลาคุกคลีกับ น, นบีอูซุฟระยะหนึ่งแล้วเนี่ยก็เลยนําเรื่องออมาปรึกษาในาบีอูซุฟอะลัยอิสลามเพราะว่าทั้งสองเนี่ยฝันความฝันที่มีความแปลกมากและบางทีเนี่ยคนที่มีความฝันแปลกและเป็นความฝันที่เขาเรียกว่าเป็นรุยาไม่ได้เป็นความฝันแบบว่าชัยตอนหรือเขาเรียกอะไรนะฮะ ความฝันที่มันมันมั่วๆมั่วที่เราอาจจะเคยเห็นอย่างนี้นะฮะแต่เป็นความฝันที่ชัดเจนแล้วก็มันติดตราเหมือนกับไม่ได้ฝันถ้าปกติถ้าเป็นความฝันทั่วๆไปนะฮะมันจะลืมเช้ามาวันเดียวก็จะลืมแล้แต่เป็นความฝันที่มาจากออลล์เนี่ยมันไม่ลืมมันตรึงเหมือนกับเป็นเรื่องจริงเพราะมันเป็นเรื่องจริงนั่นเองนะครับเขาก็จะมีความรู้สึกมีความเครียดจะทํำยังไงกับความฝันนี้ดีนะฮะพอเห็นนายบิวซูปในวิูบอกว่าฉันเนี่ย สามารถทํานายฝันได้เป็นความปรดปานที่เอล้อเนี่ยให้กับฉันก็ลาฮาดูมาคนหนึ่งจากทั้งสองคนนั้นนี่ยนะฮะก็เลยบอกกับนายบิลซุปบอกว่าถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยช่วยทำนายฝันให้กับฉันหน่อยให้กับเราทั้งสองหน่อยอินนีอารอนีอาซิรุคอมรอฉันฝันเห็นตัวเองว่ากําลังคั้นเล่าให้กับประศัตรในสมัยก่อนนู้นเล่านี่ไม่เป็นที่ต้องห้ามนะครับแล้วก็สองคนนี้ก็ไม่ได้เป็นมุสลิมแต่เดิมด้วย ฉันฝันว่าได้คันเล่าให้กับกษัตริย์มันเป็นความฝันที่แปลกเฮ้ยมันหมายความว่าอย่างไรแล้วมันชัดเจนมากว่าก็อะไรอีกคนหนึ่งก็บอกว่าอินนีอารานีอัฮมิลูฟาอการาซีคุบะจันตะกูลุตัยรมินอีกคนบอกว่าฉันฝันเห็นตัวเองว่าแบกเหนือศีรษะเนี่ยขนมปัง อ, อัฮมิลูฟาอการาซีคุบะันแล้วเกิดอะไรขึ้น แบกอาจจะไม่เปแล้วก็มีนกเนี่ยมาจิกกินบนศีษะตะกุลุตอยรุมิ น, น, นความฝันที่แปลกเฮ้ยมันคืออะไรแล้วมันชัดเจนเหลือเกินน บ, บีนาบีตะวีหรืได้โปรดช่วยทํานายให้พวกเราหน่อยแล้วก็บอกว่าอินานารากะมินันมุฮสินินแท้จริงเราเนี่ยเห็นว่าท่านเป็นคนดีอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกบทเรียนหนึ่งว่านาบียูซุฟเนี่ยถ้าเราสังเกตด้วยนะครับท่านทําความดีตลอดเวลาอ๋อทําความดีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม จุดนี้สําคัญมากเ้าเรียกว่าเป็นของแท้ของแท้นี่จะอยู่ที่ไหนเนี่ยก็เป็นเป็นเพชรเพชร อ, อยู่ที่ไหนก็เป็นเพชรอยู่ในโคลนก็เป็นเพชรอยู่ที่ไหนก็เป็นเพชรนะฮะนั้นในวิวซุฟอะลิสซาลามเนี่ยก็เป็นคนดีตลอดทุกที่ทุกเวลาช่วงที่อยู่กับที่บ้านอยู่กับคุณพ่อท่านเนี่เป็นคนดีช่วงที่ถูกจับตัวนะฮะไปขายที่ เมืองอียิปต์อยู่ในบ้านของผู้ว่าการอียิปตนะ์น่ยท่านเป็นคนดีเข้ามาอยู่ในเรือนจําคนในเรือนจำเนี่ยเจอกับท่านแล้วเนี่ยก็ประจักษ์เช่นเดียวกันว่าท่านเนี่ยเป็นคนดีอันนี้แสดงว่าความดีเนี่ยนะบิบิอุสุปไม่ได้ทําเพื่อใครแ น, น่นอนนะนอกจากทาเพื่ออัลลอฮ์แล้วก็จุดนี้สําคัญมากนะครับที่เราจะทําความดีเนี่ยตลอดไม่ได้ทําความดีเฉพาะเมื่ออยู่ต่อหน้าใครบางคน หรือเมื่อยู่ต่อหน้าคนเท่านั้นแต่การทําความดีคือสากลอันนี้คือหลักอี้ยซานนะหลักเอยซานแล้วก็ผมเห็นกูรูหลายคนที่เขาเป็นพวกโค้ชอะไรพวกนี้นะครับ <_ c oughs> เขาเอาเอาเรื่องนี้เนี่ยไปพูดแต่เขาไม่ไม่บรรลุสู่การมีพระเจ้านะฮะหมายถึงว่าเขาจะบอกว่าเวลาคุณทําความดีนะฮะพัฒนาตนเองเนี่ยพัฒนาตลอดไม่ว่าใครจะเห็นคุณหรือไม่ก็ตามนี่ผมโอ๊ยนี่มันเป็นหลักการอี้ยซานเลยเอี้ยซานนี่สําคัญไหมแล้วก็ จุดนี้เองนะครับจุดเดียวเนี่ยทำให้เรามีความโดดเด่นกว่าคนอื่นหมายถึงว่ามันทำให้มันทำให้เราต้องก้าวหน้าสักอย่างหนึ่งเหมือนกับในซุฟาริสตลามเนี่ยคือท่านไม่เคยต้องมองว่าช่วงเวลานี้มีคนมองท่านอยู่หรือเปล่าแต่ท่านทําตลอดทําความดีแล้วก็พอถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยความดีแม้ว่ามันอาจจะยังไม่ถูกเผยในช่วงเวลาใดก็ตามแต่พอถึงจุดหนึ่งมันก็จะถูกเผยแล้วก็จะเป็นที่ประจักษ์กับคนอื่นเช่นเดียวกันนะครับ อันนี้นบีซุปก็ได้สะสมความดีเนี่ยความดีงามมาตอลอดแล้วก็ไม่ดูถูกการทําความดีแม้เพียงเล็กน้อยหมายถึงว่าขณะที่อยู่กับคนในเรือนจนํานบีไม่ได้บอกว่าอ๋อนี่เป็นคน อ, อ, อยู่ในเรือนจําแล้วก็ไม่เอาใจใส่ไม่ใช่หรือบอกว่าเอคนไม่กี่คนจะมาฉันจะทําอะไรได้ไม่ใช่ในบีซุปไม่ดูถูกแม้จํานวนเล็กน้อยแม้สถานะของคนนั้นจะเป็นเช่นใดก็ตามอันนี้ก็เป็นจุดเป็นบทเรียนสําคัญกับบึงที่ทําความดีกับคนเล็กน้อยแล้วก็ นักจิตวิทยาเขาบอกว่าจะรู้ว่าเราเป็นคนดีจริงๆในอย่างไรดูว่าทำความดีกับใครถ้าทำความดีกับคนที่มีผลประโยชน์กับเราเนี่ยมันอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าทำความดีกับคนที่เขาไม่อาจให้ผลประโยชน์กับเราได้อย่างเช่นคนอาจจะสติเขาไม่ค่อยดีหรือคนเขาต้องการความช่วยเหลือคนอ่อนแอแสดงว่าเป็นคนดีจริงมันก็นในวีซุปที่ได้ทานะครับหรือ หัวหน้าครอบครัวก็เหมือนกันทำไมท่านในบิวว่าคอยรุนคอยรักรุมคอยรักรุมเลอยฮารีฮิวานะคอยรักรุมเลียฮารคนดีที่สุดคือดีกับครอบครัวเพราะเนื่องจากคนในครอบครัวคือศาสนาให้ไงสิทธิ์ในการที่คนในครอบครัวต้องต่ออัสสามีหรือหัวหน้าครอบครัวแสดงว่าแล้วเมื่อยังคงทําดีจนกระทั่งคนในครอบครัวยอมรับแสดงว่าคนนี้เลยดีจริงนะครับในะบิยูซุฟฟาริซามก็เช่นเดียวกันทำความดีกับคนที่ ท่านไม่เห็นว่าช่องทางในการที่าชายสองคนนจะตอบแทนท่านเนี่ยอย่างไรไม่เห็นนะครับแต่ทำความดียังคงทำความดีเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮุว่าตาลนะครับก็เลยเามาปรึกษานาบียูซุบนับบีนาบิตะวีดิอินนานารอกามินันมุฮซินินแท้จริงเราเนี่ยเห็นท่านว่าเป็นคนดีคนหนึ่งก็ละนบยซุก็เลยบอก ลา يأتيكما طعام ترزقانيه إلا نبأتكما بتأويله บอกว่าอาหารมื้อถัดไปเนี่ยที่พวกท่านจะได้รับเป็นเป็นปัจเจยงชีพเนี่ยจะยังไม่มาถึงท่านทั้งสองนอกจากฉันจะต้องบอกกับท่านทั้งสองอันนี้ก็เป็นเทคนิคในการตอบเหมือนกันนะฮะไม่ตอบทันทีทันใดเขาเรียกว่าให้เห็นคุณค่าของสิ่งข้อมูลที่นาบิลซุปจะให้ นี่ก็เป็นเทคนิคคืออะไรที่มันได้มาง่ายๆในบางทีเนี่ยอาจจะไม่เห็นคุณค่าต้องลงทุนทนิดนึงคือรอนิดหนึ่งฉันบอกแต่บอกแบบมีกําหนดบอกว่ามีเวลาจะได้เขาเรียกว่าเพิ่มความน่าสนใจในคําตอบหรือคอนเทนต์ด้านๆั้นอินลานะบะตุกุมาบีตะวีนี่ก็เปละอียะเจียกุมะก่อนที่อาหารจะมาหาพวกท่านท่านทั้งสองแล้วนบีบอกว่าซาลิกุมะมิมมะอัลลัมมนีรอบบีดังกล่าวนี้ นั่นคือความรู้ที่อัลลอฮ์ให้กับฉันไม่ใช่ฉันรู้เองพระเจ้าของฉันรับบีผู้ดูแลชีวิตฉันให้กับฉันอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่ได้รับความรู้มาเนี่ยห้ามสุดที่ตัวเองไม่งั้นจะมีปัญหาเหมือนกับกอรูณกอรูณเนี่ยเขาได้รับความรู้แบบมหาศาลทางด้านการเงินสามารถที่จะสะสมเงินมากมายแต่เขาบอกว่าะครับบอกว่า อ, อ, อะไรน ะ, ะกอรูณที่บอกนั่นคือ ก็เลยอินนามาอูตีตูหัอะไรอิลมินอินดีที่ฉันได้รับทรัพย์สินมากไปขนาดนี้เนื่องจากฉันมีความรู้จากตัวฉันเองอันนี้คือความผิดพลาดแม้เขาจะมีความรู้จริงก็ตามนะครับแต่ถามว่าความรู้ตรงนั้นเนี่ยมาจากไหนมาจากอัลลอฮ์ตรงนั้นจุดนี้เนี่ยเป็นจุดสําคัญมากที่เราต้องกลับมาตระหนักเสมอนะครับว่าไม่ว่าความรู้ใดที่เราได้รับเนี่ยต้อง หันกลับไปสู่อัลลอฮ์สุบฮานอหัวตะละเสมอเหมือนกับดะบิอุสุบเนี่ยได้บอกว่าザลิกุมามิมมาอัลลามีรับบีอ่าสิาส่งที่ฉันรู้เนี่ยมาจากการสอนของอัลลอฮ์แล้วก็บอกต่อไปอินนีตะรกตูมินละตะกอมินละยุมินุนบิลละและความจริงฉันเนี่ยได้ละทิ้งแล้วแนวทางหรือศาสนาของกลุ่มชนที่ไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์วะฮุมบิลล่าเคโรติฮุมกาฟิรูนและพวกเขาปฏิเสธ ต, ต่อโลกหน้า อันนี้คือปัญหาใหญ่ในมิซุปเนี่ยจะเริ่มดาว่าในคนในอยู่ในเรือนจํานะแล้ว ใ, ในมิซุปอะไรอิสลามดาวะแบบไหนครับดาวะแบบเป็นเป็นหาจังหวะที่ดีแล้วก็เอาเรื่องประเด็นที่สําคัญประเด็นสําคัญของคนในโลกนี้ในเรื่องของหลักศรัทธานะครับก็คือการปฏิเสธพระเจ้าและการไม่เชื่อไม่มั่นใจต่อโลกนะอันนี้คือประเด็นสําคัญของคนหลักศรัทธาเนมีเยอะแต่ในมิซุปจะหาจังหวะอะไรระหว่างรอคอย อาหารมื้อถัดไปจะมาแล้วก็จะดาว่าชายหนุ่มสองคนนี้ด้วยดาว่าเรื่องสําคัญที่สุดอันอีมานูบินละวันอีมานบิเลียบมิลอาคิดศรัทธาต่อหลอและศรัทธาต่อโลกหน้าศรัทธาต่อหลอศรัทธาต่อโลกหน้าซึ่งการศรัทธาสองอันนี้นะครับถูกรวมไว้ในสุราฟติฮะในอายะเดียวนะที่เราอ่านประจําสั้นมากแต่ทรงอิทธิพลมาลิกิลมิดดินเร า, าเป็นผู้ทรงสิทธิในวันตอบแทนผู้ทรงสิทธิคือหลอวันตอบแทนคือโลกหน้านะครับ ปัญหาของคนเนี่ยคือเรื่องนี้ฉันทิ้งแนวทางของคน้พี่น้องรู้นะครับเรื่องนี้เป็นเป็นเป็นประเด็นหลักแม้ว่าคนจะประสบความสำเร็จในโลกนี้ขนาดไหนก็ตามนะแต่ถ้าไม่มีสองประาการนี้จะไม่มีทางสำเร็จและมันจะไม่มีทางชีวิตของเขาจะเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงจะมีได้รับ อ, อ, อะไรต่างๆมากมายในดุนยาก็ตามนะครับแต่ถ้าหากปราศจากการสตาตออ และการศรัทธาต่อโลกหน้าในบิยูซุปจึงโฟกัสที่ประเด็นนี้ว่าฉันเนี่ยทิ้งแนวทางศาสนาของกลุ่มชนที่ไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และพวกเขาเนี่ยปฏิเสธต่อโลกหน้าสองอย่างแล้วก็บอกต่อไปอทิ้งแนวทางนี้แต่ไปปฏิบัติตามแนวทางนี้แสดงว่า อ, อีกบทเรียนนะธรรมชาติของคนเนี่ยเมื่อต้องการจะทิ้งสิ่งใดแล้ว จะต้องมีสิ่งทดแทนทำเสมอในมิวสุตมันว่าวัตตาบะตูมินลาตาอาบาอีอิบรอฮิมอวาอิสฮะกวยะคุบและฉันได้ไปปฏิบัติตามแนวทางหรือศาสนาแนวทางของบรรพบุรุษฉันนั่นก็คืออิบรอฮิมอิษฮะกวยะคุบนี่เป็นปู่ทวดคือในอิบรอฮิมอิสฮะคือปู่ยาคุบคือคุณพ่อสแสดงว่าสิ่งใดที่เราออกหางอันนี้เป็นเทคนิคนะครับ สิ่งใดที่เราจะออกห่างหรือละทิ้งเนี่ยจำเป็นต้องมีสิ่งทดแทนเสมอไม่ว่าเราจะให้คนนึงเลิกทําความผิดใดก็ตามนะครับถ้าบอกว่าให้เลิกให้เลิกทําสิ่งนี้สมมุติว่าจะให้เลิกเล่นเกมที่มันไม่ดีไร้สาระเราให้ลูกเลิกเล่นเกมถามว่าจะให้เขาทดแทนได้กับอะไรต้องมีของทดแทนสิ่งทดแทนจะให้ทําอะไรต้องมีสิ่งที่มันดีกว่านะครับ หรือจะให้เาราเขบเพื่อนคนนี้มีเพื่อนคนไหนให้ให้ครบเป็นต้นนะครับหรือบอกว่าอย่า ก, กินสิ่งนี้สิ่งที่ไม่ดีแล้วจะทำยังไงอย่าทำแบบนี้จะทำแบบไหนเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการที่ปรากฏในอันกุรอานและเราควรที่จะนำเอาไปปฏิบัติว่าแนวทางเนี่ยเป็นยังไงแนวทางคื อ, อทิ้งสิ่งนี้มาทำสิ่งนี้ไม่ใช่หลักสูตรที่ถูกต้องคือบอกให้ทิ้งแล้วก็ไม่มีทางที่จะเลือกทำ เพราะคนเนี่ยมันจะอยู่เฉยๆไม่ได้นะครับแล้วก็บอกว่าปฏิบัติตามแนวทางของบรรพบุรุษของฉันใครบ้างอาบารีอิบรอฮิมอิสฮักยากรบตั้งแต่นบีอิบรอฮิ ม, อ, อ, ฮมอันนี้เป็นตระกูลฝั่งของบนนันิอิสราเอล น, นะฮะนบีอิบรอฮิมเนี่ยผมเคยนำเสนอนะฮะนบีอิบรอฮิมเนี่ยเป็นอบุลอัมบียะบิดาแห่งบรรดานาบีทั้งหลายเพราะนบีหลังจากนั้นเนี่ยมาจากตระกูลของนบีอิบรอฮิมทั้งสิ้นนะครับสายใครบ้างอิบรอฮิมลูกคนแรกชื่ออะไรฮะ อิสมาอจากภรยา ค, คนที่2ลูกคนที่2จากภรยา ค, คนแรกชื่ออิสฮากนบีอิสฮากา ก, กับนบีอิสมาอินจึงเป็นพี่น้องกันนบีอิสฮากเนี่ยเป็นต้นตระกูลของบรรดอิสราเอลเนพระถัดมาก็คือนบียากรูปนบียากูปนี่คือต้นตระกูลเหมือนกันนะครับมีลูก12คนหนึ่งในนั้นก็คือนบียูซุฟอลัยอิสลามและบิญยามีแล้วก็ดูอีก10คนนะครับนั่นแสดงว่านบียูซุฟเนี่ยได้ปฏิบัติตามแนวทางของบรรดานบีและรอซูลทั้งหลาย เป็นแนวทางเดียวกันจากบรรพบุรุษของท่านนะครับซึ่งแนวทางนี้เนี่ยมันเป็นมรดกถือว่าเป็นมรดกสืบทอดกันมาเราจะเห็นนะครับจากรุ่นสู่รุ่นเนี่ยตลอดจนกระทั่งถึงท่านอนาับมุลโมฮัอลมัดสุลต่านนั้นความรู้ก็อีกอีกประการหนึ่งนะครับความรู้นี่คือเป็นเป็นสิ่งที่ถ่ายทอดกันเป็นมรดกที่มนุษย์เนี่ยสืบทอดกันแม้ว่าจะเป็นความรู้ทางด้านนุนยาก็ตาม แต่ในความรู้ดังกล่าวนี่เป็นความรู้ดในการดําเนินชีวิตไม่ใช่เฉพาะเจาะจงในดุลยายัางเดียวนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือวัตบะตูมิลละตาอับาอิอิบรอฮีมออิสฮะกไวอาคูตระกูลที่ประเสริฐที่สุดก็คือตระกูลนี้ตระกูลนบีนะครับที่4ชั้นไม่มีนบีท่านใดหรือตระกูลใดที่จะมีปู่พ่อทวดปู่พ่อแล้วก็ลูกนี่คือ4ชั้นเลยนะฮะ ไม่มีไม่มีตระกูลไหนที่มีนบีแบบครบถ้วนแบบนี้นะครับนอกจากตระกูลของนบียูซุฟอะลัยอิสลามนะครับท่านนาบีอุมาสัลลอฮ์ซัมจริงถือว่านาบียูซุฟเนี่ยเป็นบุคคลที่มีความประเสริฐเพราะเป็นลูกของคนที่ประเสริฐหลานของคนที่ประเสริฐแล้วก็หลายของนบีอิบราฮิมอะลัยอิสลามนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือนี่เป็นการตอบแทนท่านนาบีอิบราฮิมอะลัยอิสลามนบียิบรอฮิมเนี่ยคุณพ่อของท่านเป็นใครเป็นผู้ตั้งภาคีต่อัลลอฮ์ใช่ไหมฮะ แล้วก็ท่านเมื่อท่านออกจากคุณพ่อมาแล้วออกจากกลุ่มชนมาแล้วเนี่ยเราก็ประทานให้อิสฮา ก, กวยะกุบนบีอิสฮากแล้วก็นบีอะกุบแถมขึ้นมาแถมก็คือเป็นหลานของนบีบรอฮิมแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยหลังจากยะกุบก็เป็นเนบียูซุฟอะลัยอิสลามเ อ, เองนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่นบียูซุฟอะลัยอิสลามเนี่ยไดเ้เริ่มที่จะบอกกับ เ, เพื่อนร่วมเรือนจําทั้งสองคนว่าแนวทางของฉันเนี่ยเป็นอย่างไร และฉันเนี่ยจะทำนายฝันให้ท่านเป็นอย่างไรอ า, อายัถัดบานะครับยาซอฮิบัยยสซินเราจะเรียกโอ้เพื่อนร่วมคุกทั้งสองของฉันเอ๋ยอันนี้ที่นําเรื่กับพี่น้องวานาบียซุบเนี่ยใช้เาเรียกว่าจุดร่วมเสมอในการนี่สนทนากับเขายาซอฮิบัยยสซินนบีไม่ได้ถือว่าเป็นคนที่ห่างไกลกันนบีแต่ละท่านเนี่ยก็จะใช้คําศัพท์แบบนี้ตลอดนะฮะ พเพราะเรจะส่งมานบีแต่ละท่านนะส่งมายังกลุ่มชนของเขาไวลาอาเดนคอหุมพูดาอาดที่ถูกเอ่อใครเราส่งใครมายังอารดพี่น้องพวกเขาคือนบีฮูดไวลาสะมูดอะคอหุมซอลีฮะยังกลุ่มสะมูดเาลาส่งใครมาพี่น้องพวกเขาก็คือนบีซอละไวลามาาัตยานอะคอหุมช่วอบะส่งมายังเมืองชาวเมืองมัตยานพี่น้องพวกเขาคือเนบีชว่วยบอะ่ะแสดงว่า ที่เราส่งมาเนี่ยส่งคนที่เป็นที่รู้จักมาเพื่ออะไรครับในบีนัสต์ต่างๆเหล่านี้ก็จะบอกว่ายากามีอบูดุลรอโอ้กลุ่มชนของฉันจงอิบรารัตต่อรอเนื่องจากมาละกุมมินอีลาหินไวยุไม่มีพระเจ้าไหนนอกจากรอทำไมต้องอิบรารัตต่อรอเพียงองค์เดียวเนื่องจากไม่มีไม่มีใครเคยกล่าวอ้างว่าตนเองเนี่ยเป็นพระเจ้านอกจากอัลลอฮ์สุบฮานอหัวตานะครับดังนั้นนี่ก็คือสิ่งที่ในบีอะไรนะครับท่านต่างๆเนี่ยจะมีจุดร่วมกับกลุ่มชน อันนี้เทคนิคในการที่เราจะได้ว่าใครเนี่ยอันดับแรกแรนะหาจุดร่วมอยันนาบิยุสุฟเนี่ยมาจากเมืองกันอานมาที่เมืองอียิปต์ใช่ไหมครับถูกจับตัวมาแล้วไปอยู่ในเพื่อนร่วมเรือนจําเนี่ยจะมาบอกได้ไหมว่าโอ้กลุ่มชนของฉันเขาก็จะบอกท่านโกหกละคนละตระกูลเลยคนละสายเลยจะมาเป็นกลุ่มชนเดียวกันได้ไงแต่บียุสุฟก็ไม่จำเป็นต้องโกหกนะแต่หาจุดร่วมจุดร่วมตรงไหนยาซอไฮเบย์สิติโอเพื่อนร่วมเรือนจําของฉันทั้งสองเอ๋ย นี่คือการหาจุดร่วมเช่นเดียวกันในเราควรที่จะหาจุดร่วมเวลาจะบอกให้ใครทําสิ่งใดเนี่ยหาจุดรวมเพราะคนธรรมชาติเนี่ยเขาชอบการที่เรามีอะไรเหมือนๆกันและไม่ชอบการที่บางทีบอกว่าโอคนไม่ชอบการแบ่งแยกอ่ะฮะคนชอบการรวมการรวมเนี่ยเป็นดึงดูดทําให้เขาเนี่ยจะฟังเรามากขึ้นนะครับอัลเบบุลมุตฟริกูนไยร์อามิลลาฮุลวาฮิลกฮาร เจ้านายหลายคนพระเจ้าหลายคนหลายองค์หรือเจ้านายใช้คําว่าอารบาบุญก็คือเจ้านายมาจา ก, การร บ, บุญอารบาบหรือว่าพระเจ้าก็ได้นะครับหลายองค์หรือเจ้านายหลายคนเนี่ยจะดีกว่าที่แตกต่างกันแตกต่างกันหมายถึงว่าด้านคําสั่งใช้เนะี่ยที่อาจจะแต่ละคนสั่งใช้ในบิสุทธิใช้ศัพท์ที่มีความสอดคล้องกับกลุ่มชนด้วยเพราะพวกเขานี่เป็นเป็นระบบของมีเจ้าขุนมูล น, นายต่างๆนะครับหรืออัลลอฮ์องเดียวผู้ทรง มีอนุภาพเนี่ยจะดีกว่าอันไหนดีกว่าปฏิบัติตามผู้เดียวอันนี้ธรรมชาติของคนที่ในบีอูซุปดาวะเนี่ยคือดาวะสิ่งที่อยู่ในจิตใจของคนนั่นเองนะครับหลังจากที่ดาวะสิ่งที่อยู่ในจิตใจแล้วท่านก็ได้ดาวะต่อดาวะข้อเท็จจริงบอกเท่าที่เป็นจริงอธิบายแบบสั้นๆว่าสิ่งที่พวกท่านได้สักการะเนี่ยเป็นอะไรสมัยในบีอูซุปอันสามมาตอบูดูนามินดูนี สิ่งที่พวกท่านสักการะอื่นจากอัลลอฮ์ไม่ได้เป็นสิ่งใดอิลานอกจากอัสมาอันส ม, มัยตุโมฮะชื่อที่พวกท่านเนี่ยตั้งมันขึ้นมาเองใช่ไม่ใช่ชื่อของสิ่งต่างๆที่ถูกตั้งขึ้นมาอัสมาอันส ม, มัยตุโมฮะที่พวกท่านตั้งขึ้นมาอันตุมพวกท่านเองวาอาบาอูกุมหรือไม่ก็บันพับบุรุษของพวกท่านมาอันซา ล, ลลอหฮุบิฮามินซุลตอนอัลลอฮ์ Allah ไม่ได้ประทานหลักฐาน ใ, นใดๆมาให้แก่พวกท่านเลย หมายถึงว่าอาลัลลอฮ์มีสิทธิ์ที่จะบัญชาให้สักการะต่อใครก็ได้เข้าใจนะฮะเราก็จะไม่สงสัยว่าทำไมอลัลลอฮ์สั่งให้ซูญุตอนบีอาดัมเพราะอัลลอฮ์สั่ง เ, เป็ น, เ ป, นเป็นกรรมสิทธิ์ของอลัลลอฮ์แต่อลัลลอฮ์ไม่ไดป้ประทานอะไรเป็นหลักฐานหลือให้พวกท่านทําเช่นนั้นแต่นั้นนี่คือการไม่ได้ปฏิบัติตามสั่ง อ, งอลัองอลลอฮ์ปฏิบัติตามใครก็ปฏิบัติตามการละโลงของชัยตอนนั่นเองนะครับมาอันซาลอวีฮามิซุนตอ อินฮุอิลลัลลการตัดสินหรือข้อตัดสินหรือคาบัญชาเนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์เท่านั้นอัลฮุูคือการตัดสินการสั่งให้ทาการไม่ให้ทาเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอ์เท่านั้นอิลัลลและอัลล์บัญชาว่ายงไงอมามะรอัลลอฮ์ตะอบูดูอิลลอียะบัญชาว่าอย่าสักการะต่อใครนอกจากอัลลอ์อัลลอฮ์ตะอบูดูอิลลอียะทำไมครับซาลิกดีนกอิยมนั่นคือแนวทางอันเที่ยงตรง ไม่สุดโต๊ะวาลกินอัครรณะซีอิลายอะลลอฮแต่คนส่วนใหญ่ไม่ทราบว่านี่คือแนวทางอันเที่ยงตรงเที่ยงตรงระหว่างอะไรครับปฏิเสธพระเจ้าเลยกับการศรัทธาตออ่ออะไรก็ได้สิ่งถูกสร้างใดก็ได้ถูกไหมฮะแนวทางอันเที่ยงตรงก็คือลาอิลัฮะอิลลอ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอ์ตรงกลางใช่ฮ ะ, ะถ้าถ้าแนวทางที่ ไม่มีพระเจ้าอื่นใดไม่มีเลยโลกนี้มันเป็นไ ป, ไปแบบเนี้ยอันนี้ก็เป็นแนวทางที่มันไม่มีคําตอบสําหรับสัพสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นบนโลกนี้ดวงดาวดวงจานาันทร์อะไรต่างๆหรือมีพระเจ้าอื่นนอกจากอัลลอฮ์นอกจากไม่มีใครกล่าวอ้างเช่นนั้นแล้วนอกจากมนุษย์กล่าวให้กับสิ่งเหล่านั้นเท่านั้นเองนอกจากไม่มีใครกล่าวอ้างแล้วเนี่ยถ้าสมมุติจะมีสมมติที่ถามว่าจะมีจริงพระเจ้ามากกว่าหนึ่งโลกนี้จะถูกบริหารอย่างไร เหมือนกับขับรถกันขับรถหรือองคอ์กรใะต่างๆใช่ไหมฮะถ้ามีผู้นําสูงสุดมากกว่าหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นไปได้ยังไงในการบริหารจัดการนะครับดังนั้นนี่คือแนวทางอันกอยิมซะก็ดีนุนกอยิมแนวทางอันเที่ยงตรงตรงกลางวาลาคินนะอักษรนะซิลายาอะไรหมดแต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้อล๋อ <Allah. S 1> นี่เป็นเรื่องเรื่องไม่ได้ยากนะฮะเรื่องเข้าใจง่ายแต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้เนื่องจากบางทีเนี่ยคือเขาเรียกว่า บรรยากาศรอบข้างหรือการที่เราพูดกันซ้ํากันไปบ่อยๆทําให้เข้าใจผิดหรือคาดเคลื่อนไปนเองนะครับยาซอไฮยาสซิจินอันนี่ก็จะมาทํานายฝันแล้วนะครับเดบิโกยังคงบอกต่อว่าโอ้เพื่อนร่วมคุกทั้งสองของฉันเออยาซอไฮยาสซิจินเริ่มทํานายฝันอัมมาอะฮาดุกู ม, มาสําหรับคนแรกที่ถามมา ถามว่าว่าอะไรครับที่คั้นเล่าเนี่ยตอนนี้ถึงเวลาทํำนายฝันแล้วอุลามาบอกว่านี่นบิยุสุปเนี่ยหาจังหวะในการด่าวะอย่างดีมากจะด่วาวะใครด่วาวะคนที่พร้อมฟังและใครที่พร้อมฟังใครพร้อมฟังครับก็คือคนที่ต้องการรับข้อมูลอะไรบางอย่างจากเราต้องการได้รับอะไรบางอย่างจากเราเนี่ยดังนั้นเนี่ยเราเอาไปประยุกต์กับอาชีพต่างๆของเราเนี่ยได้จะเป็นอะไรก็ตามนะครับคือคนกาําลังต้องการเนี่ยกำลังรอต้องการได้รับความดีจากเราอยู่ แม้จะเป็นอาชีพโดยทั่วไปก็ตามเนี่ยเราสามารถจะสอสแสดแทรกดาวะได้คนมาปรึกษาใน บ, บิยูซุปน บ, บิยูซุปในเรื่องการทํำนายฝันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาโดยตรงถูกไหมฮะแต่ท่านเนี่ยได้บอกว่าเดี๋ยวจะบอกรอเวลาหานมานิดนึงช่วงระหว่างที่รอเนี่ยเขาสนใจคําพูดใน บ, บียูซุปหรือเปล่าสนใจแน่นอนช่วยโอกาสในการดาวะเขาเนี่ยสู่หนทางขอเหรแต่พอเพื่อเมื่อมันถึงเวลาแล้วถึงเวลาที่ต้องทํำนายฝันแล้วก็ให้ตามสัญญา อัมมาฮัดุกูมาฟยัสตีรบบาหูคอมรอคนหนึ่งที่ฝันว่ามีเหล้าไปคั้นเหล้าเนี่ยคันองุ่นให้กับกษัตริย์คนนี้เนี่ยก็จะได้กลับไปคั้นเหล้าให้กับกษัตริย์จริงๆฟยัสติรบบาหูคอมรอว่า ม, มันออเขรู้สว่วนอีกคนหนึ่งที่แบกขนมปังและนกมจิกที่ศีรษะนะครับฟาอูสละบุจะถูกจับตรึงกลางเขนตึงกางเขน ฟัตตะกูรุไตโรมิระสีแล้วจะมีนกเนี่ยมาจิกกินศีรษะของเขาถูกประหารชีวิตด้วยการตรึงกังเขนสมัยก่อนลงทุนกันแบบนี้นะฮะแล้วก็จะมีนกเนี่ยมาจิกกับที่ศีรษะของเขาเมื่อทั้งสองได้ยินแล้วเนี่ยโดยเฉพาะคนที่สองนะฮะรีบบอกทันทีว่าอ๋อฉันไม่ได้เห็นไม่ได้ฝันเห็นแบบนั้นฉันพูดเล่นแต่บิลส์บอกไม่ได้แล้วคือคุณบอกไปแล้วเวลาฝันเนี่ย ถ้าเกิดทํานายแล้วตามหลักการที่ถูกต้องนะครับก็ต้องตามนั้นคนนั้นบอกว่าอ๋อฉันไม่ได้ฝันแล้วดังนั้นในน บ, บีซอลสมจึงบอกว่าถ้าฝันไม่ดีเนี่ยก็ไม่ต้องเล่าถ้าบางทีพอเล่าแล้วถูกทำลายแล้วเนี่ยก็ต้องเป็นตามนั้นถ้าทําลายอย่างถูกต้องนะครับคนนั้นก็เลยบอกว่าอ๋อฉันไม่ได้ฝันหรอกผมก็จะโดนประหารแล้วเนี่ยอ๋อฉันไม่ได้ฝันนบีบอกไม่กูเดียลอัมรุลละดีฟีฮิตาสต์ฟติยานเรื่องนี้ถูกตัดสินแล้วมันจบแล้วตามที่ พวกท่านเนี่ยได้ได้ถามคําถามหรือให้ฉันเนี่ยทำนายฝันเอาไว้จะมาบอกว่าไม่ฝันตอนหลังเนี่ย น, นี่ไม่ได้เลยนะครับอย่างสุดท้ายได้ศึกษานะครับว่ากอลลิลลาีซอนนันหูนาจินนบีซุก็เลยช่วยโอกาสกล่าวกับใครกล่าวกับคนที่ท่านเนี่ยคิดว่าเขาจะรอดพ้นก็คือใครคนแรกใช่ไหมฮะที่เขาจะรอดพ้นเนี่ยซอนนันหูนอาจินมินหูมาจากสองคนนั้นอุดกุรนีอินดาร บ, บิ ให้นำเรื่องของฉันเนี่ยไปกล่าวกับกษัตริย์หรือเจ้านายของท่านทีหนึ่งฟาอันซาฮุเชตอนนุติกรรบิแล้วชัยตอนก็ทำให้เขาลืมการรำลึกถึงพระเจ้าของเขาอันนี้อุลมามะเขาเอ่อมีสองทัศนะนะครับแต่ความหมายทั้งคู่ก็ไปได้ด้วยกันทั้งคู่ก็คือชชยตอนทำให้ใครลืมทัศนะหนึ่งบอกว่าในมียูซูบอกว่าจงกล่าวชื่อฉันเนี่ยกับเจ้านายรอบบัก ก็คือเจ้านายของท่านอุตคุณีอินดารบิกใช่ไหมฮะฟันซาฮุชัยตอนและชัยตอนก็ทำให้เขาลืมชัยตอนทำให้ใครลืมทำให้คนที่รอดเพื่อนร่วมคุกของนาบิอสุปเนี่ยลืมกล่าวชื่อนาบิอุสุปกับเจ้าหนายฟาันซาฮุชัยตอนซิกโรบิฟาลาบิสฟิสซิจเนบิกอารซนทำให้นาบิอุสุปเนี่ยต้องอยู่ในคุกอีกหลายปีร่วมสิบปีนะครับนี่ทัศนะหนึ่งบอกว่าคนที่ลืมคือใครครับ เพื่อนของนบีอูซุฟที่ออกจะออกจากเรือนจําอีกทัะนั้นหนึ่งบอกว่าฟานซอฮุชไซตนันไซตอนทําให้ลืมคือเขาคือนบีอูซุฟลืมซิครรอบบีลืมกล่าวถึงพระเจ้าของขอ ง, ของท่านเองก็คือลืมกล่าวถึงอัลลอฮ์เนี่ยก็เป็นเหตุทําให้ท่านเนี่ยต้องอยู่ในเรือนจำเนี่ยในระยะเวลาหนึ่งก็คือชายคนนั้นก็ลืมจริงแหละชายคนนั้นก็ลืมด้วยแต่เนื่องจากลืมของเขาในเนื่องจากการที่นบีอูซุฟฟาริสตันเนี่ยไม่ได้ รำลึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานุลอตในตอนนั้นนะครับวอัลลอฮอลอันนี้อุลมามะบอกว่านี่ขนาดแค่การลืมเพียงแค่ระยะเดียวใช่ไหมฮะยังมีผล ด, ดังกล่าวขนาดนี้นะครับดังนั้นอย่างพวกเราเองนะอุสบิลัยน์ัที่ไม่ได้รำลึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานุลอตเวลาเนี่ยอ่มากมายนะครับดังนั้นนี่ก็เป็นอีกบทเรียนหนึ่งทำให้เราต้องกลับมาคิดแล้วก็ทบทวนนะครับว่าการรำลึกถึงอัลลอฮ์นสคัญมากและอัลล์คือผู้ที่จะคลี่คลาย ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานะครับแล้วก็นี่น่าจะเป็นเนื้อหาในวันนี้ที่ผมจะนําเสนอกับพี่น้องนะครับในครั้งต่อไปนี่อาจจะเป็นหลังรอมฎอนนะฮะเพราะว่าเวลาจะเข้าพฤษภาพฤษภานี่ก็ได้แค่ครึ่งเดือนเท่านั้นเองนะครับก็จะรอมฎอนแล้วชอลล์แต่ว่าก็เนื้อหาอยู่ตรงกลางๆนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นการฝันของกษัตริย์ และก็เนื้อหา ก, ก็น่าสนใจทีเดียวนะครับถ้าใครมีคําถามนะครับก็เรียนเชิญสามารถจะถามได้นะครับอัลลอฮ์สัลลัลอฮ์กับนบีนะมุฮัมมัดอัลลาฮิอุซาลลัมขอทักทายพี่น้องทางเ c e b o o k ด้วยนะครับที่ติดตามทุกท่านขอบคุณมากนะครับพี่น้องมีคําถามเชิญ น, นะครับพี่น้องทาง Facebook ก, ก็ถามได้นะครับคุณความสวยงามความสวยงามนะครับประหยัดหุ่นบ้านเรียนอิกรห์ นะครับอาสลามมานะครับทั้งสองท่านคุณณวัฒนคุณสลามมาคุณอนุชานิยมรัฐบอกสลามครับอะไรกุมสลามคุณอะไรนะฮะเนียรินานะครับแล้วคุณอุ้มคุณสิริพัฒสลามครับอะไรกุมสลามนะครับคุณฮีลันบอกว่าอัลลอฮุอัลลอฮุอักบัลนะครับแล้วก็หลายท่านนะครับแล้วก็บาง สุลมานนะบอกัสลามไม่เจอกันน r a m นี้ได้เจอกันนะครับ่ช่เหอคุณและคุณอุนาพันหวังกัสลามอะกัุสลามนะครับพี่น้องมีคาถามด้วยเปล่าครับใช่ครับก็ต้องเรียนอันอันอันดับแรกนะครับอันดับแรกก็คือการเรียนข้อมูลพื้นฐานจากกุรานและก็สุนังทันนบีสอรอซะ อันนี้คือหนึ่งพื้นฐานนี้ก็ต้องมีทั้งหมดเรียนกุตตาแล้วก็สุนนะสองก็คืออันนี้เฉพาะทางในการทํานายฝันก็มาจากกุตอาแล้วก็สุนนะเดียวเนเดียวกันนะครับแล้วการทดลองของในสมัยท่านนาบีสัลลอฮฺอะลัยฮุส alam และของบรรดาอุลามาในยุคก่อนๆ น, นะครับก็มีอุลามาที่ได้แต่งหนังสือเป็น เ, เล่มเลยนะครับสัลลอฮฺอะลัยใช่ฮะก็คือต่างกันตรงที่ เรามีแหล่งข้อมูลมาจากคุรานและกสุล น, นะไม่ได้ออกกรอบไม่ใช่ว่าทํานายตามอําเภอใจไม่ใช่นะครับก็ทํานายตามคุรานและกสุล น, นะเนื้อหาต่างๆเอามาจากตัวบทในอคุรานหรือการทํานายของออบรรดาในในคุรานเองนะครับแล้วก็ในสุล น, นะฮะฮะดิสสุนน บ, บี อ, งองังซอลรอซัมก็มีในการที่ทํานายฝันและบางฝันก็คือเขาเรียกว่าความหมายของมันก็คือตามเนยะนั้นๆเลย นะครับอาจจะไม่ต้องตีความเน่ก็มีความฝันเช่นนี้เหมือนกันนะครับอุลมาก็จะมาแบ่งเลยว่าการฝันเห็นแบบนี้แบบนั้นเนี่ยในอินเทอร์นเน็ตก็จะมีนะฮะในภาษาอารับว่าฝันฝันเห็นสิ่งนี้หมายความว่าอะไรฝันเห็นแบบนั้นเนี่ยคืออะไรเป็นต้นนะครับก็คือแต่ว่าไม่ได้อาศัยเฉพาะการฝันอย่างเดียวอันนี้อาจจะเกี่ยวกับประสบการณ์ด้วยประสบการณ์ส่วนตัวของผู้ทํานายประสบการณ์แล้วก็สถานการณ์ของคนฝันนั้นๆเพราะบางที ฝันแบบนี้ในช่วงหนึ่งอาจจะไม่เหมือนกับอีกฝันหนึ่งของอีกคนหนึ่งในอีกช่วงเวลาหนึ่งเป็นต้นนะครับครับมีคำถามอื่นไหมครับนะครับใช่ครับจบแค่นั้นแต่อลกาามาบางท่านเขาก็บอกว่าตอนหลังเธอเนี่ยก็ได้เตาบัตตัวสำนึกผิดนะครับ ว่ารอวารแต่ว่าประเด็นสำคัญก็คือ เ, ออเรื่องเรื่องราวของออผู้ว่าการอียิปต์หรืออาซิสแลวก็ซูไลคอเนี่ยก็เป็นช่วงหนึ่งช่วงของประวัติหนึ่งของนบียูซุฟที่มีบทบาทแต่ว่าโฟกัสเนี่ยซูรสอนี้หรือเนหานี้เนี่ยที่ตัวนบียูซุฟและเจาะจงที่ความฝันเราก็ไม่ได้ลงรายละเอียด อ, อ, อะไรตรงนั้นมากอย่างเช่นคนที่จับตัวนบียูซุฟมากออกไหมฮะ แล้วก็ไปขายในตลาดทาตอย่างเงี้ยครับก็ไม่ได้กล่าวว่าเออตัวรงรับเป็นใครหรืออะไรยังไงแล้วก็เช่นเดียวกันออช่วงเนี่ยฮะอัลซผู้วาการอียิปต์กับภรรยาของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างหลังจากนั้นไปก็ไม่ได้กล่าวถึงนะครับแต่ว่าโฟกัสที่ตัวนา บ, บิอุสุฟการใช้ชีวิตและบทเรียนต่างๆกล่าวถึงมากที่สุดก็คือนา บ, บิอุสุฟเองสองก็คือคุณพ่อของท่านนา บ, บิยากรุปก็จะมีอีกบทบาทหนึ่งซึ่งเราจะเห็นว่า ความอดทนของทั้งสองเนี่ยบทบาทที่แตกต่างกันความอดทนที่คนละแบบใช่ไหมฮะของคุณพ่อเดี๋ยก็จะมีอีกมุมหนึ่งแต่ทั้งสองเนี่ยเป็นนบีเหมือนกันแล้วก็จะเห็นการชีวิตในครอบครัวเนี่ยก็เป็นต้นแบบได้เป็นอย่างดีนะครับและการบริหารความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในครอบครัวของนบีอาคูบเดี๋ยก็เป็นต้นแบบของพวกเราเนี่ยเช่นเดียวกันนะครับการไม่ได้ลูกดูนะฮะคือความอดทนอย่างเข้มแข็งอดทนอยู่กับลูกแล้วก็นี่อีกเป็นอบทเรียนก็คือการอยู่กับบันิสราอิ บันิสราอิซึ่งก็คื อ, อ, อชาวยิวปัจจุบันนี้นะฮะแล้วดูนบียะกุปอดทนยังไงนี่ขนาดพ่อแท้ๆแล้วภาษาอะไรแล้วนบีนบียะกุปอดทนนบีอูซุกอดทนจากอะไรจากการกระทําของของพี่ๆท่านเองนบียะกุปก็จากการกระทำของลูกๆท่านเองนึกออกไหมฮก็ใช้ความอดทนสูงเป็นต้นแบบ ดังนั้นในศึกษาในเรื่องรนบดยูซุฟแล้วเนี่ยบทเรียนมันไหลมุมหลมิติมิติของครอบครัวได้มิติของการอยู่ร่วมกับบริอิสโรอินในสังคมปัจจุบันเนี่ยก็ได้ก็ต้องอดทนเหมือนกับอับุลนะฮะอดทนเหมือนกันบอบยูซุฟอะลฮิมัสลามนะครับแล้วก็มุมมองต่างๆความหวังต่างๆนี่ขนาดเขาพวกเขาเนี่ยคือระดับพี่น้องกันเอง แม้ว่าจะร่วมพ่ออย่างเดียวไม่ได้ร่วมแม่ก็ตามนะฮะตัวใน บ, บิลซุปเนี่ยเขายังสามารถจะฆ่าแกงกันได้ในทางภาษาอะไรกับพี่น้องปาเลสไตน์หรือคนที่เป็นก็เป็นญาติญาตินะอาหรับก็เป็นญาติญาติกันอารับกับยูเนี่ยก็เป็นลูกพี่ลูกน้องาตามสายตระกูลน บ, บีบรูฮิมเมื่อสักครู่นะฮะก็เป็นคนละฝั่งอนะ่ะคนละญาติญาติกันแล้วก็มาจากเรื่องเดียวกันนะฮะเรื่องอะไรเรื่องการอิจฉาเหมือนกันสังเกตไหมฮะคือเนื้อเดียวกันเลย ยิว e กับอาหรับนี่ก็คือยิวอิชาร์นบีมุฮัมมัดสุลลัมทำไมครับเพราะมาอีกตระกูลมาสายใครอิบราฮีมนบีอิบราฮิมนบีอิสฮากนะฮะยาคุบสายบรรดินุสุรีนบีอิบราฮิมนบีอิสมาอินนบีมาฝั่งนี้เพียบเลยนะแต่ประเสริฐที่สุดมาท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัมบรรดินุสุรีก็เลยไม่ยอมรับมาจากตระกูลนี้อนึกว่าจะมาจากตระกูลตัวเองก็มาจากการอิชชัเพราะมาจากคนละแม่งนบีอิสมาอิน แม่หนึ่งให้หญิงฮายั อ, อิสมาอินท่านหญิงฮายัตแล้วก็ซาร์อมาน บ, บีอิสฮาหแล้วก็ยากรูบนะครับะจะมาจากความอิจฉาริสยาเนี่ยเช่นเดียวกันเหมือนกับใครในตะกูบานิสไทรินเองก็อิจฉาเหมือนกันถูกไหมฮะน บ, บียูซุฟเนี่ยพ่อของท่านก็น บ, บียากรูบพี่ทั้ง10คนก็พ่อก็เป็นคนเดียวกันยากรูบแต่คนละแม่เห็นหฮะคือคดีมันคล้ายๆกัน อิจฉาน้องต่างแม่ในบีฮุหมาซอลซำก็เป็นเหมือนกันก็เป็นญาติกับพวกเขาเนี่ยเป็นพี่น้องอายุเนี่แหละแต่อิชา่าที่เาลาะให้ประเสริฐกว่าใครก็เป็นน้องเหมือนกันนบีเป็นน้องที่สุดของมานในบีและมูซ น, น, นะครับไปถึงอายุที่มาทีหลังที่สุดต่างแม่เหมือนกันอันนี้ก็เป็นบทเรียนที่ทําให้เราได้เห็นภาพโดยรวมการศึกษาสุรยุซุปอัลลอฮิสลาามเนี่ยทำให้เราเห็นศึกษาเขาเรียกว่าอาลูอิสตร อ, อีลเราเคยได้ยินคําว่าบานีอิสร อ, อีลใช่ไหมครับ บันีเนี่ยจะหมายถึงรุ่นตั้งแต่ลูกของลูกของลูกนบียะกูบหมถึงรุ่นหลานนบียากูบเป็นต้นมาจรเร็กกับบันีอิสราเอลแต่ถ้าลูกลูกเพราะนบียากูบเนี่ยชื่อว่าอิสราเอลบันีก็คือรุ่นหลานเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยเรียกว่าบันีอิสราเอลนะครับแต่ว่าลูกลูกของท่านเนี่ยเรียกว่าอาหรือิสราเอลครอบครัวครอบครัวของอิสราเอลก็มี ทั้งหมด12ท่านนะครับที่เราทราบกันดีในอัลกุรอานมีอย่างอื่นไหมครับ<อ>ใช่ผมดูว่าเวลามันน่าจะกระชั้นนิดหนึ่งะครับชอละ อ, อาจจะเป็นหลังลอมารอนเลยนะฮะมีคำถามอื่นไหมครับคุนชอละ ไม่มีก็ยินชาร์ล็อตนะครับขอบคุณท่านที่ได้ติดตามนะครับแล้วก็ทาง a c e b o o k ด้วยเช่นเดียวกันนะครับและชาร์ล็อตขอให้ชาร์ล็อตได้ให้เราได้อยู่ในช่วงของเดืนอนรอมฎอนด้ศึกษาเรียนรู้ข้อมูลต่างๆจากอันกุรรานอย่างเต็มที่นะครับเพราะรอมฎอนนี้ก็เป็นเดินกุรรานอยู่แล้วแล้วคงจะศึกษากุรรานศึกษาแล้วก็ไข้ควรจุดก็คือการไข้ ค, ควรนี่เทคนิคก็คือการมองกลับไปกลับมาอ่านกลับไปกลับมามีมุมไหนบ้างที่ จะเป็นบทเรียสนสำหรับเรานะครับและทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะไขขวนกุรานเราคงไม่ได้อ่านอย่างเดียวอ่านนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วแต่ว่าการไขขวนเป็นกรรมสิทธินะไม่มีสิทธิ์จะมาบอกว่าอ๋อนี่ไขขวนเฉพาะใครคนหนึ่งไม่ใช่ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะไขขวนคุรานกุรานเป็นกรรมสิทธิ์ของทุกคนไม่ไม่ใช่ทับซีดนแะับซีดนี่คือให้อุลามาเนี่ยใช่นะฮะแต่ว่าการใไขขวนเนี่ยไขขวนนี่เมื่อไหร่เมื่อเรารู้ความหมายแล้วอย่างนี้เรารู้ความหมายภาษาไทยแล้วไขขวนได้ไขขวนต้องที่เรารู้ คือก็จะไม่มีใครเหมือนกันที่จะรู้ความหมายแบบร้อยทั้งหมดนึกออกฮะแต่ถามว่ามันไม่ได้เป็นเหตุว่าต้องรู้ต้องรู้เยอะก่อนแลถึงจะไข้ควรได้ไหมเราไข้ควรเท่าที่เราเนี่ยรืบนพื้นฐานที่เรามีความรู้นั่นเองนะครับเรอาองเรานับัลลอฮลาีนอะัวะมฮวะสลลัวะัลลมอลัยุมุอฺรหฺมัตุลลบาระกาตุ